สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟู้ดเดลวีนะครับอยู่กับผมนัทพลดีอุดและอาจารย์นัชรธแผัตน์แพรกุลนะครับอาจารย์จากสาขาอาหารและพุทธนาการคณะเทคโนโลยีข้าก ร, รมศาชการมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีนะครับที่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาหารพุทธนาการต่างๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการฟู้ดเดลวีแห่งนี้นะครับรายการฟู้ดเดลวีควบคุมการผลิต ด้วยผู้ช่วยสัตว์ราจารย์ด็อคเตอร์กุญกณิศทองเงานะครับคุณทุกฟังครับวันนี้นะครับ ในตอนต้นของรายการฟู้ดเดลิวี่นะครับผมก็มีสาระต่างๆมาฝากคุณฟังนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับในช่วงแรกนะครับผมนำเรื่องราวของการเชิญคนไทยสร้างเสริมสุขภาพดีนะครับเริ่มที่เราตั้งเต้าเทนใหม่18บวกวัยรุ่นรู้ถ่านโลกไผ่นะครับคุณฟังครับเมื่อวันที่5กันยายน2562นะครับที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์สในสาธิตปิตุเตชะนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับและรองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือว่าสสสเป็นประธานเปิดงานชีวิตดีเริ่มที่เรานะครับพร้อมเตะบอลพิชิตสามเป้าหมายลดเลวลดเสี่ยงออกกำลังกายหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์และลดพุงลดพุงลดโรคนะครับก่อนร่วมเต้นออกกำลังกายประกอบเพลงขยับบ่อยๆของสอสสนะครับด้วยในสาธิตกล่าวนะครับว่าตลอดระยะเวลาสิบแปดปีสสสได้ทำงานกับภาคีเครือข่ายสร้างองค์ความรู้ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเปลี่ยนแปลงสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ทำให้ปี2561นะครับประเทศไทยมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนและเป็นอันดับสามของโลกนะครับโดยในปีนี้จึงมุ่งเป้าหมายไปสู่การเป็นผู้นำในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันดับที่หนึ่งของโลก ทั้งนี้นะครับ18ปีของสสสาหากเทียบกับเป็นคนถือว่าเป็นช่วงวัยของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์ ส, สิ่งใหม่ๆ ม, มีการเปลี่ยนแปลงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเข้าใจประกอบการดำเนินชีวิตที่หลีกเลี่ยงลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นปัญหาสุขภาพนะครับพร้อมกับพระเผชิญกับความท้าทายทั้งสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมวิถีชีวิต นไกลไกการตลาดของธุรกิจที่ทำลายสุขภาพเกิดเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่หรือเทรนสิบแปดบวกในโครงการชีวิตดีเริ่มที่เรานะครับที่จะมุ่งมั่นให้คนไทยมีวิถีสุขภาพผ่านกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยให้ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับดังนั้นทางสสสนะครับจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับให้มีชีวิต ดีโดยเริ่มที่ตัวเราเองนะครับซึ่งทางสส ส, สจัดงานรวมเอาสิ่งที่เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมของทุกคนวิธีการทำอย่างไรให้คนไทยมีสุขภาพดีจากประสบการณ์18ปีเต็มนะครับเป็นตัวช่วยให้ประชาชนทุกคนมีการปรับพฤติกรรมมีสุขภาพที่ดีซึ่งสส ส, สจัดงานวันที่5ถึง8กันยายนนะครับมีบุ้งต่างนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้ง108วิธี สร้างเสริมสุขภาพดีหรือสามหลักในวันนี้นะครับนั่นก็คือการลดหวานมันเค็มลดอุบัติเหตุและการออกกำลังกายนะครับจึงเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะครับเพราะการมีสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตัวท่านเอง ซึ่งสามารถใช้เทคนิควิธีการของสสได้นะครับโดยด็อกเตอร์สุปรีดาอดุลยานนท์นะครับผู้จัดการสสกล่าวนะครับว่าคนไทยเกือบ 400,000 คนเสียชีวิตก่อนไวัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเป็นอันดับที่หนึ่งคิดเป็น176ของการตายทั้งหมดนะครับเกิดความสูญเสียของ GDP ร้อยละ 2.2 ต่อปีโดวยจากข้อมูลสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2,560 นะครับสำรวจพฤติกรรมคนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปพบว่ามีการสูบบุหรี่10 จุดเจ็ดศูนย์ล้านคนคิดเป็นร้อยละสิบเก้าจุดศูนย์นะครับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไปสามสิบวันร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดห้าต่อวันและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆจากการขาดการมีกิจกรรมทาง หรือการรับประทานอาหารหวานมันเค็มรับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอเกิดความเครียดในการดำเนินชีวิตรวมทั้งอุบัติเหตุนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั้งนี้โรคไม่ติดต่อเรื้อดังสามารถป้องกันได้นะครับแต่ที่สำคัญของทุกความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดจากการเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจังนะครับซึ่งการจัดงานชีวิตดีเริ่มที่เราตลอดทั้งสี่วันซึ่งจัดตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่แปดนะครับมีแนวคิดชนะในความแพ้ คือการลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองหรือคนรอบข้างสร้างกำลังใจในการลุกขึ้นมามีสุขภาพที่ดีนะครับโดยยกแปดประเด็นใกล้ตัวอย่างเช่นลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกขึ้นมาเลิอกกินอาหารเลิกสูบบุหรี่เลิอกเหล้าชุมชนลุกขึ้นมาสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านประสบการณ์การมีส่วนร่วมเรียนรู้ที่ในการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันในประเด็นต่างๆนะครับที่ครอบคลุมทั้งกายใจ ปัญญาสังคมพร้อมทั้งจัดทำคู่มือชีวิตดีเริ่มที่ตัวเราโดยรวบรวมหนึ่งร้อยวิธีสร้างเสริมสุขภาพดีที่ทุกคนทำได้เป็นคู่มือประจำไวันนะครับและนอกจากข่าวของสสส์นะครับที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะฮะยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับกับจกักษุแพทย์ที่เตือนระยะให้ระวังกับจักษุแพทย์ที่เตือนให้ระวังโรคทางตานะครับภัยเงียบของคนทำงานในยุคดิจิตอลนะครับด้วยนักผู้ชนาญการแนะนำสารอาหารสำคัญสำหรับการลด ความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทเสื่อมหรือนักผู้ชันาการแนะนำสารอาหารช่วยลดความเสี่ยงของจอประสาทเสื่อมในคนวัยทำงานในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังด้วยปัจจุบันนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทำให้วิธีการดำเนินชีวิตของประชาชนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนด้วยสาเหตุ ด, ดังกล่าวข้างต้นนะครับเมื่อ เ, ลอเร็วๆนี้ทางสมาคมพยาบาลกองทัพ บ, บกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพ บ, บกและกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี2512ในโอกาสครบรอบ56ปีวิทยายลัยการพยาบาลกองทัพ บ, บกในหัวข้อที่ทางประเด็นและแนวโน้มการวิจัยนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับโดวยมีแพทย์และนักวิจัยร่วมบรรยายให้ความรู้กับพยาบาลที่เข้าร่วมงานประชุมกว่า600คนณอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาชั้น10โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโดยนายแพทย์ ทีราวีหงยกนะครับอาจารย์จกสักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาโรงพยาบาลราชวิถีและวิทยาลัยแพทยา ศ, าศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับบรรยายในหัวข้อการดูแลสุขภาพดวงตาไว้ทำงานยุคดิจิตอล น, นะครับเปิดเผยว่าในประเทศไทยสามารถพบอุบัติการ์โรคทางดวงตาและอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมของคนไทยในการใช้สายตาเปลี่ยนไปนะครับรวมทั้งละเลยการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของดวงตา ต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับนอกจากนี้ยังพบนะครับว่ากลุ่มคนทำงานเป็นกลุ่มที่เกิดอาการผิดปกติกับดวงตามากที่สุดเพราะเป็นกลุ่มคนที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันไปกับการจ้องจอไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเลต็ตและแกจิตต่างๆซึ่งพบมากถึงร้อยละเจ็ดสิบของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะครับและพบได้มากขึ้นในคนที่มีอายุราวกว่าสี่สิบปีทำให้เกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเกิดอาการผิดปกติ เช่นอาการล้าตาตาแห้งแสบตาแพ้แสงสู้แสงไม่ได้นะครับปวดศีรษะปวดคอบ่าไหล่ร่วมด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังแสงสีฟ้าหรือว่าบูไลทซึ่งเป็นคลื่นแสงที่มีพลังงานสูงจากจอคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตต่างๆนะครับและรังสียูวีจากแสงแดดที่เข้าสู่ดวงตาทำให้เกิดอนุมวลอิสระในเซลล์จอประสาท ต, ตานะครับทำให้เซลล์ค่อยๆเสื่อมลงหากไม่ดูแลและปรับพฤติกรรมการใช้สายตาจะทำให้เป็นโรคจอประสาทเสื่อมในที่สุดนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเอกการณ์บำลุงพืชนะครับภาควิชาผู้ชนะวิทยาคณะศ า, ธารณะสตรานาศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล น, นะฮะร่วมบรรยายในหัวข้ออาหารและผู้ชนะการสร้างเสริมสุขภาพดวงตาพบว่าปัจจุบันคนไทยติดสมัตร เพิ่มมากขึ้นนะครับกว่าแตก่ก่อนจากการสำรวจพบว่าคนไทยมากถึงร้อยละเก้าสิบแปดใช้เวลาตั้งแต่ตื่นนอนถึงก่อนนอนทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคจอประสาทเสื่อมเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นนอกจากเราต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ดวงตาเวลาอยู่หน้าจอแล้วนะครับคุณผู้ฟังเราก็ต้องรับประทานสารอาหารที่ช่วยดูแลดวงตาให้มีสุขภาพดีและลดความเสี่ยงในการเกิดโรครวมทั้งอาการผิดปกติกับดวงตานะครับโดยข้อแนะนำของเนชชิเนียร์อาย อินจีดิวได้ครับสหรัฐอเมริการะบุนะครับว่าการรับประทานลูทีน10มิลลิกรัมร่วมกับซีแทนทีน2มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัยจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาท ต, ตาเสื่อมได้นะครับเพราะช่วยทำหน้าที่กองแสงตลอดจนลงสีต่างๆรวมทั้งแสงสีฟ้าที่ออกมาจากจออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับคนที่ทำงานโดยการใช้สายตาจ้องจอนานๆ น, นะครับหรือทำงานในที่ที่มีแสงจ้าซึ่งร่างกายของเราไม่สามารถสร้างลูทีนและซีแทนทีนได้เองนะครับ จำเป็นต้องได้รับจากสารอาหารที่เรารับประทานเท่านั้นและเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นลูทีนและซีเซนทีนในจอประสาทจะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆนะครับโดยลูทีนพบมากในหน่อไม้ฝรั่งและบลูโคลี่ส่วนซีเซนทีนพบมากใน พริกหวานสีส้มข้าวโพดน้ำส้มและอางุ่นเขียวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรับประทานผักผลไม้เหล่านี้จำนวนมากเพื่อให้ได้รับรูทีนและสเซินแซนทีนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทเสื่อมด้วยรูทีน10มิลลิกรัมต้องรับประทานหน่อมไม้ฝรั่งถึง 1.1 กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังหรือว่าบล็อกเคอรี่ถึง 1.4 กิโลกรัมและซินแซนทีน2มิลลิกรัมก็ต้องรับประทานพริกหวานสีส้ม125กรัมข้าวโพด400กรัมน้ำส้ม10ลิตรหรือว่าอางุ่นเขียวถึง3 ปัจจุบันนะครับอาหารเสริมจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยมเพื่อให้ได้รับสารสำคัญที่มีปริมาณและมีประสิทธิภาพผลตามการวิจัยและสะดวกกับคนทำงานในชีวิตเร่งรีบในแต่ละวันนะครับนอกจากนี้ครับคณผู้นิฟังยังมีสา ร, รอาหารอื่นๆที่ช่วยดูแลสุขภาพดวงตาอย่างเช่นวิตามินเอวิตามินซีวิตามินอีเบตาแคโรทีนดีเอ และแอนโทไซยานินนะครับที่ช่วยในการมองเห็นเพิ่มความชุ่มชื้นของดวงตาช่วยปกป้องสายตาจากแสงแดดและชะลอความเสื่อมของเลนตานะครับนอกจากการรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตาแล้วนะครับคุณผู้ฟังเราก็ควรปรับพฤติกรรมในการใช้ดวงตาขณะอยู่หน้าจอก็ใช้กด20 20 20นั่นก็คือทุก20นาทีควรละสายตาจากจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือผ่อนคลายสายตาด้วยการมองวัตถุอื่นๆที่ห่างออกไปประมาณ20ฟุต ระพิภูตาต่อเนื่องเพื่อป้องกันอาการตาแหง้งรวมทั้งลุกขึ้นเดินไปรอบๆบริเวณที่นั่งอยู่ประมาณยี่สิบเก้านะครับเพื่อเป็นการบริหารสุขภาพดวงตาที่ดีและยืดอายุดวงตาให้เสื่อมช้าลงดังนั้นเริ่มดูแลดวงตาตั้งแต่วันนี้เพราะเรามีดวงตาเพียงคู่เดียวที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตครับคุณผู้ฟังครับและนี่คือสองเรื่องราวที่ผมนำมาฝากผู้นั่งฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของเมนูนักคิดนะครับวันนี้มีอะไรมาฝาก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 ครับมากับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังกับช่วงเมนูนักคิดนะครับวันนี้เมนูนักคิดผมมีเรื่องราวของน้ำเต้าหู้นะครับคุณประโยชน์ที่ดีจริงหรือไม่ครับคุณฟังครับน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองคือเครื่องดื่มที่ทำมาจากถั่วเหลืองด้วยการนำเอาถั่วเหลืองมาบดปั่นกับน้ำเปล่านะครับและคั้นกรองเอากา ก, ากไปทิ้งอ่าน ปรุงลดเพิ่มด้วยการใส่เกลือหรือน้ำตาลลงไปด้วยนะครับด้วยน้ำเต้าหู้ครับมีโปรตีนจากถั่วเหลืองมีเส้นใยธรรมชาติที่ดีต่อระบบการขับถ่ายและมีส่วนประกอบที่สำคัญนั่นก็คือสาร ไอโซฟาโวนะครับหลังจากการบริโภคน้ำเต้าหู้ร่างกายจะเปลี่ยนสารเคมีชนิดนี้ให้เป็นสารไฟโตเอสโตรเจนที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับเอสโตรเจนซึ่งเป็นโฮอร์โมนเพศหญิงที่มีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์และภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนชนิดนี้นะครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงคาดว่าส่วนประกอบต่างๆในน้ำเต้าหู้รวมถึงสารไซฟาโวอาจส่งผลดีต่อสุขภาพและอาจส่งผลทางการรักษาอาการป่วยบางประการได้นะครับ ด้วยเหตุนี้จึงมีวิธีการค้นคว้าทดลองมากมายถึงคุณประโยชน์ของน้ำเต้าหู้เพื่อศึกษาว่าน้ำเต้าหู้เป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางผู้ชนะการหลากหลายหรือไม่หรือเป็นเพียงสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เท่านั้นนะครับโดวยคุณค่าทางผู้ชนะการของน้ำเต้าหู้ครับคุณผู้ฟังสามารถลดความอ้วนลดน้ำหนักและสามารถลดไขมันได้นะครับโดยมีงานวิจัยที่ทดสอบประสิทธิภาพของนมวัวนมถั่วเหลืองปรุงแต่งและอาหารเสริมแคลเซียมที่มีผลต่อการลดไขมันในผู้หญิงก่อนวัยทองที่มีภาวะ และภาวะน้ำหนักเกินนะครับพบว่าการบริโภคนมไขมันต่ำอย่างนมถั่วเหลืองปรุงแต่งจะช่วยลดภาวะอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงได้ในกลุ่มตัวอย่างทดลองได้อย่างมีในัยยะสำคัญนะครับอีกหนึ่งการทดลองที่ได้เปรียบเทียบประสิทธิผลของน้ำเต้าหู้กับนมวัวขาดมันเนยกับระดับไขมันในเลือดและการทำปฏิกิริยากับผนังไขมัน ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ชี้ว่าน้ำเต้าหู้มีส่วนช่วยในการลดระดับไขมันในเลือดและลดการเกิดปฏิกิริยาที่สารอนุมูลอิสระทำปฏิกิริยากับกรดไขมันไม่อิ่มตัวในผนังเซลล์นะครับซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับส่วนการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพในการลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยเครื่องดื่มที่ทำมาจากโถั่วเหลืองด้วยทำการทดลองในกลุ่มตัวอย่าง ชาวฝลังเศสที่มีระดับ Corysterol ในเลือดสูงในกลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลางซึ่งผลที่ได้นะครับคุณทุกฟังนั่นก็คือการบริภกคเรื่องดื่มจากนมถว่าเรืองที่มีสาร Fancy Store น, นะครับซึ่งช่วยลดระดับขายมัน Corysterol ฉ น, นิดเลวนะครับลงอย่างมีในยะสำคัญนะครับดังนั้นอาจต้อง和นักว่าร์ด ได้อ่านกล่าวได้นะครับว่าน้ำเต้าหู้อาจจะช่วยควบคุมและลดระดับไขมันในผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางนะครับประโยชน์ข้อต่อมาของน้ำเต้าหู้นั่นก็คือการบำรุงกระดูกครับคุณฟังการทดลองเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนมถั่วเหลืองที่มีสารไอโซฟาโวที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตและกระบวนการการสร้างการสลายกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนชาวสเปน พบว่าการบริโภคนมถั่วเหลืองจะช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินดีและช่วยลดกระบวนการสลายกระดูกนะครับนอกจากนั้นการบริโภคสารไอโซพาโวจากนมถั่วเหลืองเพิ่มเติมอาจจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างได้และช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกได้อีกด้วยนะครับข้อต่อมาครับนั่นก็คือช่วยลดความดันโลหิตนะครับมีการทดลอง ถึงการศึกษาประสิทธทิผลของเครื่องดื่มที่ทำมาจากนมถั่วเหลืองนะครับในด้านคุณค่าทางผู้ชนะการและอิทธิพลต่อการลดน้ำหนักพบว่าเครื่องดื่มที่ทำจากนมถั่วเหลืองอาจจะช่วยลดระดับความดันโลหิตซิสโตริกและไดแอดโตริกลงได้นะครับซึ่งเป็นความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวในกลุ่มตัวอย่างเยาวาชนเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนและภาวะน้ำหนักเกินด้วยอย่างไรก็ตามครับในการทดลองนี้ยังไม่พบผล รับในด้านน้ำหนักที่ลดลงหรือขนาดเส้นรอบเอวที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างใดนะครับอีกงานทดลองหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ศึกษาผลจากการบริโภคน้ำเต้าหู้ที่สัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองที่มีภาวะไตผิดปกติร่วมด้วยพบว่าการบริโภคน้ำเต้าหู้มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับข้อต่อมาครับ จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลด ร, ระดับอินซูลินในเลือดและการย่อยอาหารครับคุณผู้ฟังจากการค้นคว้าหาประสิทธิภาพของการบริโภคผลิตภัณฑ์นมและ นมถั่วเหลืองเป็นประจำทุกวันทั้งก่อนมื้ออาหารสามสิบนาทีและพร้อมมื้ออาหารในกลุ่มทดลองเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีเพื่อศึกษ า, อ, าอิทธิพลต่อระบบย่อยอาหารระดับน้ำตาลและสารอินซูลินในเลือดพบนะครับว่าการดื่มนมทั้งนมถั่วเหลืองและน ม, มวัวก่อนมื้ออาหารสามสิบนาทีจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารลงได้มากกว่าการดื่มพร้อมมื้ออาหารซึ่งวิธีการนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานจากการบริโภคอาหารที่มีค่า G.I. สูงนะครับหรือค่าดักชนีน้ำตาลนั่นเองซึ่งยังต้องค้นคว้าทดลองในด้านนี้ต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดและเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับและข้อต่อไปครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของแบคที ria ในลำไส้นะครับงานค้นคว้าเกี่ยวกับการบริโภคนมเปรีย้ยวที่เป็นนมถั่วเหลืองหมักที่อาจมีอิทธิพลต่อแบคที ria ในลำไส้เล็กมีผลลัพธ์ชี้นะครับว่าการบริโภคนมเปรีย้ยวที่เป็นนมถั่วเหลืองหมักจะช่วยเพิ่มปริมาณแบคที ria ที่เป็นประโยชน์ในลำไส้เล็กนะครับ หรือว่าโปรไบโอติกนั่นเองซึ่งเป็นผลดีต่อลำไส้และระบบย่อยอาหารอย่างมีในแย่สำคัญครับข้อต่อไปครับจะช่วยเรื่องของภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารอนุมูลอิสระ โดวยงานวิจัยมากมายได้นำเสนอประสิทธิผลของน้ำต้มหูและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมถั่วเหลืองมีงานวิจัยหนึ่งนะครับคุณฟังที่สนับสนุนคุณประโยชน์ของโปรโตีนถั่วเหลืองเช่นกันแต่นำเสนอในด้านที่แตกต่างกันนั่นก็คือการทดลองให้ผู้ป่วยกลุ่มอาการเบตาบอดิกบริโภคโปรโตีนถั่วเหลืองในปริมาณแต่น้อยเพียง25กรัมทุกวันผลคือกลุ่มทดลองนี้ได้บริโภคโปรตีนถั่วเหลืองปริมาณ25กรัมทุกวันเป็นเวลา90วันครับโดยเฉพาะ โดยไม่พบผลข้างเคียงในการทดลองนี้นะครับและอยัางเป็นประโยชน์ในการรักษาคือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มไขมันดี (HDL) ในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมตาบอลิกอีกด้วยครับซึ่งคุณผู้ฟังครับ อย่างที่ได้กล่าวมาหลายๆข้อนะครับนั่นก็คือประโยชน์ของการบริโภคถั่วเหลืองหรือว่านมถั่วเหลืองนะครับแต่ก็ยังมีความเชื่อหรือว่าสมมติฐานที่ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ก็มีนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกระบวนการอักเสบเข้าฟุ้นฟังด้วยจากการวิจัยนะครับก็พบว่าการบริโภคน้ำเต้าหู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการอักเสบการแข็งตัวของเลือดและภาวะเครียดจากปฏิกิยาออกซิเดชันของสารอนุมูลสละในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองและผู้ที่มีภาวะไตผิดปกตินะครับพบว่าการบริโภคน้ำเต้าหู้อาจจะช่วยลดระดับ เซรั่มดีมาย์นะครับซึ่งเป็นค่าบ่งชี้ในการจับตัวของริมเลือดได้แต่กับไม่พบข้อบ่งชี้ใดๆที่เป็นประสิทธิผลในการรักษาหรือการบรรเทาอาการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารอนุมูลอิสระนะครับหรือจะในเรื่องของความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมนะครับคุณผู้ฟังโดยในงานวิจัยหนึ่งนะครับที่ศึกษาประสิทธิผลของสารไอโซพาวอซึ่งคาดว่าอาจจะส่งผลต่อร่างกายคล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนได้ทำการทดลองศึกษาค่าความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมจาก การทำเมโมแกรมหรือเอ็กซาเรตเต้านมในกลุ่มทดลองเพศหญิงในวัยหมดประจำเดือนนะครับแต่พบว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนการบริโภคสารที่มีไอโซฟาโนนะฮะจะช่วยลดค่าความหนาแน่นของเนื้อเยื่อ เต้านมในภาพของเมมโมแกมได้แต่อย่างใด น, นะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าการรับประทานนมถั่วเหลืองมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะครับซึ่งความปลอดภัยในการบริโภคน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองก็มีนะครับคุณผู้ฟังด้วยผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยก็คือการบริโภคที่มีส่วนประกอบของนมถั่วเหลืองหรือโปรตีนจากถั่วเหลืองรวมอยู่รวมถึงน้ำเต้าหู้ในปริมาณที่เหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคครับคุณผู้ฟังด้วยการบริโภคโปรตีนถั่วเหลืองในรูปแบบของอาหารเสริมที่สกัดมาจากถั่วเลหเล หรือหากบริโภคติดต่อกันเป็นระยะระยะเวลาสั้นๆไม่เกินหกเดือนนะครับแต่หากบริโภคติดต่อกันในระยะเวลายาวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่สำคัญได้นะครับดังนั้นการดื่มน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองเพียงอย่างเดียวเป็นประจำเพื่อทดแทนอาหารชนิดอื่นอาจนำไปสู่ภาวะ ขาดสารอาหารได้โดยเฉพาะในเด็กเนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้รับสารอาหารอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่เพียงพอนะครับโดยการดื่มน้ำเต้าหู้และรับประทานถั่วเหลืองอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพได้ในบางกรณีอย่างเช่นท้องผูก ท้องอืดท้องเฟ้อคลื่นไส้หรือมีอาการแพ้มีอาการปวดผื่นคันใบหน้าบวมแดงนะฮะซึ่งผู้ที่พบผลข้างเคียงนี้หลังจากการบริโภคก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันทีนะครับโดยผู้ที่ควรระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคนมถั่วเหลืองเป็นพิเศษนั่นก็คือเด็กนะครับซึ่งเด็กการบริโภคนมถั่วเหลืองจะปลอดภัยหากรับประทานเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารในปริมาณที่พอดีในบางรายที่มีแพ้มีการแพ้นมที่ทำจากนมวัวแพทย์อาจจะแนะนำให้บริโภค นมผงที่ทำจากถั่วเหลืองแทนแต่ต้องไม่ให้นมที่ทำจากถั่วเหลืองในเด็กทารกที่อายุต่ำกว่าหกเดือนเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เด็กแพ้ถั่วเหลืองได้นะครับอย่างในสตรีมิคันนะครับและผู้ที่ให นมบุตรนะครับการบริโภคถั่วเหลืองจะปลอดภัยหากรับประทานเครื่องดื่มหรืออาหารในปริมาณที่พอดีแต่อาจจะเป็นอันตรายได้หากบริโภคในรูปแบบของแบบรูปแบบอื่นเพื่อหวังผลทางการรักษานะครับทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองในปริมาณที่มากจนเกินไปเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อเด็กทารกนะครับและในผู้ป่วยนะครับเนื่องจากปัจจัยทางสุขภาพทำให้ผู้ที่กำลังป่วยหรือผู้ที่มีโรค ประจำตัวควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการบริโภคอาหารประเภทใดก็ตามนะครับรวมทั้งการบริโภคน้ำเต้าหู้ด้วยเช่นกันดังนั้นหากมีข้อสงสัยว่าการดื่มน้ำเต้าหู้หรืออาหารอื่นๆที่ทำจากนมถั่วเหลืองจะส่งผลต่ออาการป่วยของตนหรือไม่ผู้ป่วยก็ควรสอบถามปรึกษาแพทย์ก่อนการบริโภคเสมอนะครับ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นใดเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับแม้การบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของถั่วเหลืองหรือโปรตีนจากถั่วเหลืองรวมถึงน้ำเต้าหู้ในปริมาณที่เหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่ผู้บริโภคก็ควรศึกษาปัจจัยทางสุขภาพของตนให้ดีก่อนนะครับว่าควรดื่มน้ำเต้าหู้หรือไม่และควรดื่มในปริามาณมากน้อยเพียงใดอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองแต่ละชนิดล้วนมีโปรตีนและสารอาหารจากถั่วเหลืองในปริมาณที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นในน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วอาจจะมีสาร ไอโซพาวู、so、avo, ประมาณสามสิบมิลลิกรัมด้วยอย่างไรก็ตามครับผู้บริโภคควรเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลากหลายเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จะส่งเสริมสุขภาพได้อย่างครบถ้วนครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยครับคุณฟังจากเพจพบแพทย์ข้อมูลสุขภาพที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ครับ คุณผู้ฟังครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของช่วงเมนูนักคิดในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของคุยข้างครัวกับอาจารย์นัชรัตน์เพ็ญกุลนะครับอาจารย์มีเรื่องราวของผงชูรสนะครับการรับประทานผงชูรสอย่างไรให้ปลอดภัยรับประทานอย่างไรถึงจะเกิดโทษนะครับติดตามเรื่องราวของผงชูรสนี้ได้ในช่วงหน้ากับคุยข้างครัวกับอาจารย์นัชรัตน์เพ็ญกุลครับ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 ยังไมีสายมาคิดรักกันใหม่ดูดูที่ใจของฉันยังรำพันถึงเธอทุกคืนวันเฝ、oh. ้าอธิษฐานเมื่อวันวา น, นจงฮวนคืนมาใหม่、oh. เธอโอเธออยู่แห่งไหนได้โปรดจงเห็นใจฉุกเฉิน ファウアティタうウアウンウアン、ジョンウン、クンママイ、ファウアティタン、ウアウン、ジョン、ウアン、ジョン、ウアン、ジョン、ママイ、ファウア、トヨ、ウエン、アイ、ダイ、ヨー、ジョン、ヘン、ジャイ、ジョン、チロ。 เจนลิเวอรี่ช่วงคุยข้างครัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนัทชรัตแพรกุลในช่วงคุยข้างควรนะครับคุณผู้ฟังครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมีข่าวที่โด่งดังก็คือการทำซ้ำตำของแม่ค้ารายหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งนะฮะโดยการทำซ้ำตำนั้นนะฮะก็คงที่จะไม่ผิดแปลกอะไรนะฮะแต่มีข้อสังเกต จากคนที่ไปถ่ายคลิปวิดีโอมานำเสนอทาง โ, โซเชียลก็คือนะครับแมคานั้นนะฮะใส่ผงชูรสนะฮะเกือบครึ่งกิโลก ร, รัมนะฮะต่อการตำหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งแมคานั้นก็ได้สัมภาษณ์ว่านะฮะในการตำหนึ่งครั้งนั้นก็จะได้ประมาณกว่าสี่สิบห้าถึงห้าสิบจานหรือถุงนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังเป็นที่โจดจันอีกว่าการใส่ผงชูรสเยอะขนาดนั้นเนี่ย มันส่งผลอันตรายต่อร่างกายหรือไม่นะฮะหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวว่าอย่ารับประทานพวกบะหมี่กึ่งเสำเร็จรูปเยอะๆหรืออาหารที่ใส่ผงชูรสเยอะๆนะเพราะจะส่งผมให้ผมร่วงได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการรับประทาน ผงชูรสมากมากนั้นทำให้ผมร่วงได้จริงหรือไม่ถ้าเป็นอันตรายมากขนาดนั้นทำไมถึงยังมีผงชูรสเป็นส่วนประกอบของอาหารมากมายตามท้องตลาดนะฮะไม่ไว่าจะเป็นอาหารที่ทำตามข้างทางหรือขึ้นห้างหรืออาหารในส่วนของที่เป็นกึงสเร่งเสต็ปรูปต่างๆนะก็ยังมีส่วน ผสมของผงชูรสอย่างมากนะวันนี้นะฮะผมจะมาให้คำตอบว่าผงชูรสนั้นจริงๆแล้วนะฮะมันคืออะไรนะรแล้วก็มีอันตรายกับสุขภาพมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับผงชูรสนะฮะหรือที่เรียกว่าทางศัพทวิทยาศาสตร์นะฮะโมโนโซเดียมกูตามีดนะฮะประกอบไปด้วยโซเดียมและกรดกูตามิกนะฮะผงชูรสไดจากการหมักของกาก น้ำตาลจากอ้อยหรือน้ำตาลจากแป้งมันสับปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติโดยผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่จะได้เป็นผลึกสีขาวบริสุทธิ์และละลายน้ำได้ง่ายและก็เข้ากับอาหารได้ทุกชนิดนั่นเองนะครับผงชูรสนะฮะเป็นที่นิยมในการเป็นส่วนประกอบที่ช่วยเพิ่ม เสริมรสชาติของอาหารให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่าก็คือทำให้อาหารนั้นอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะฮะเราจึงพบผงชูรสตั้งแต่ร้านอาหารข้างทางไปถึงโรงงานผลิต อุตสาหกรรมอาหารใ ห, ใ, หใหญ่อาหารแปรรูปต่างๆได้มากใหมายนะครับจากคำถามหรือข้อสงสัยที่ว่าการรับประทานผงชูรสมากมากนะฮะส่งผลต่อผมร่วงมากน้อยขนาดไหนนะฮะการรับประทานผงชูรสมากมากนะไม่ได้ส่งผลให้ผมร่วงหรือผมร้านแต่อย่างใด น, นะฮะไม่มีปรากฏในวารสารทางการแพทย์หรือผลงานวิจัยใดๆทั้งสิ้นนะฮะหลายคนนะนำอาการผมร่วงมาโยงสาเหตุที่อาจทำให้เกิดจากการกิน อาหารที่มาจากผงชลศพงชลศพนั้นจึงตกเป็นจำเลยตามความเชื่อตั้งนานนะฮะตั้แต่รุ่นสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะแต่อันที่จริงแล้วสาเหตุใหญ่ๆของผมร่วงเกิดจากความผิดปกติของรูขุมขนบนหนังศรีรษะและเส้นผมร่วงเองนะฮะความเชื่อนี้จึงไม่เป็นความจริงนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าอันตรายจากผงชลศพนะฮะแม้ว่าผงชลศพจะไม่ได้ทำให้ผมร่วง แต่ที่เราถูกสั่งห้ามตั้งแต่เด็กๆไม่ให้รับประทานผงชูรสมากเกินไปเพราะจากวรารสารทางการแพทย์มีรายงานถึงอาการผิดปกติของคนที่รับประทานอาหารที่มีผงชูรสเป็นส่วนประกอบเอาไว้มากมายนะตั้งแต่อาการผิดปกติเล็กๆน้อยๆจนถึงอาการร้ายแรงนะอันดับเริ่มต้นนะอาจจะรู้สึกคอแห้งกระหายน้ำนะฮะมีอาการแพ้ผงชูรสอาจจะมี อาการปากแห้งลิ้นชาแขนหลังและคอเมื่อการชากล้ามเนื้ออ่อนแรงใจสัน่นหน้าอกแน่นนะฮะหน้าแดงจนถึงขั้นเป็นลมนะฮะหรือมีอาการอื่นๆเช่นกระตุน้นอาการหอบหืดนะฮะและไมเกรนกำเริอบได้นะฮะแต่กรณนั้นนะฮะก็ยังไม่สามารถ สรุปฟันธงได้ว่าอาการผิดปกติดังกล่าวนะฮะมาจากผงชูรสเพียงอย่างเดียวเพราะจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากการทดลองมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมัดหมายเช่นส่วนประกอบของอาหารนั้นจานนั้นอาจจะมีส่งผลต่ออาการของโรคต่างๆได้นั่นเองนะฮะแต่อันตรายจาก ผงชลลดที่เกิดขึ้นจากเกลือโซเดียมในผงชลลดนั้นเองนะที่อาจทำให้ส่งผลต่อสุขภาพในร่างกายเช่นภูมิต้านทานของร่างกายลดลงนะฮะเกิดการคลั่งในสมองของเด็กทำให้เด็กโตม ขึ้นมามีการปัญญาอ่อนหรือมีอาการชักโคม่านะฮะแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคตายนะฮะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและก็โรคอื่นๆที่ตามมาดังนั้นแพทย์จึงสั่งห้ามเค็มนะฮะส่วนใหญ่ผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งผู้ผลิตมักไม่ค่อยระมัดระวังในการใส่ผงชูรสลงไปประกอบอาหารเพราะผงชูรสนั้นไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีรสชาติเค็มจัดนะฮะ ชัดเจนเหมือนเกลือแกงนะฮะใส่ผงชูรสมากๆก็อาจจะไม่รู้สึกรสเค็มเลยแต่จริงจริงแล้วในผงชูรสมีส่วนประกอบของโซเดียมเป็นส่วนประกอบซึ่งจะส่งผลเช่นเดียวกับการรับประทานเกลือแกงนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะฮะยังมีรายงานถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากตัวผงชนิดเองนะฮะก็คือสามารถที่จะส่งผลต่อการทำลายสมองส่วนที่ควบคุมการเจริญเติบโตได้นะฮะทำลายระบบสืบพันธุ์ระบบประสาทน ะ, ะแล้วก็อาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนะฮะที่สำคัญนะฮะเป็นอันตรายต่อหญิงมีครรภ์ที่อาจส่งผลกระทบ ก, ก่อการเจริญเติบโ ต, ต, ตของทารกนะฮะทางนี้อันตรายราวนี้เกิดขึ้นจากการรับประทานผงชนิดเกินไปนั่นเองนะฮะ ถึงอย่างไรก็ตามนะครับคนเรานั้นนะฮะไม่สามารถที่จะตัดผงชูรสออกจากมื้ออาหารได้ตราบที่เรานั้นยังไม่ได้ประกอบอาหารเองในครัวแต่ถึงอย่างไรการประกอบอาหารเองในครัวนะก็อาจจะเจอผงชูรสโดยความบังเอิญหรือสิ่งที่เราไม่รู้เช่นในน้ำปลากระปีซอสปรุงรสต่างต่างนะฮะก็ส่วนมากจะมีส่วนผสมของเมอร์โนโซเดียมกูตามีดนั่นเองนะฮะ แต่ที่สำคัญก็คือเราควรเลือกรับประทานอาหารที่สดสะอาดมีประโยชน์และก็ประกอบอาหารโดยใช้เครื่องปรุงให้น้อยมากที่สุดนะฮะรับประทานอาหารที่ รสจากธรรมชาตินั่นเองนะฮะแล้วก็มีคำแนะนำนะฮะว่าเรานั้นควรรับประทานผงชูรสในแต่ละวันนั้นไม่เกินสองช้อนชานะฮะหรือหากต้องการให้รสชาติอาหารที่มีความกลมกล่อมใกล้เคียงกับผงชูรสสามารถใส่วัตถุดิบจากธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นสาลัย น้ำต้มกระดูกนะฮะมะเขือเทศนะฮะหรืออาหารที่มีการหมักโดยธรรมชาติไปมาเป็ น, ปนกะปิน้ำปลาน้ำบูดูถั่วเน่านะครับต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือเหต็ดนะฮะก็จะมีสารสกัดจากหรือมีส่วนประกอบของโมเดียมโมโนโซเดียมกูตเตอร์เมตในตัวอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเรื่องพงชลลดนะฮะทำให้ผมร่วงนั้นจะไม่เป็นความจริงนะฮะ แต่ที่ผู้ใหญ่ไม่ให้เรารับประทานพงษ์ชลุตมากเกินไปในตอนเด็กๆก็ยังเป็นเรื่องจริงที่ควรทำตามอย่างสำคัญนะฮะและถึงแม้ว่าพงษ์ชลุตนั้นจะแฝงอันตรายไวมากมายนะฮะแต่หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็สามารถจะทำให้เกิดประโยชน์กับคนรับประทานได้เช่นเดียวกันนะครับ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 สอบถามเพิ่มเติม02 592 1933 Food Delivery ช่วงเปิดหม้อกลับมาในช่วงสุดท้ายนะฮะกับช่วงเปิดหม้อนะฮะก็มีเมนูนะฮะที่ทำมาจาก เห็ดนะฮะซึ่งในเหต็ด น, น, นะฮะก็จะมีกูตามีที่จะส่งผลต่อรสชาติของอาหารนะฮะให้ได้อร่อยอร่อยมากขึ้นและก็เป็นเมนูไทยๆที่สามารถที่จะรับประทานง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับกับเมนูที่ชื่อว่าห่อหมกเห็ดนะฮะวัตถุดิบนะฮะก็จะมีเหต็ดนางฟ้าครึ่งกิโลกรัมไข่ไก่สองฟองตะไคร้ซอยสี่ต้นหอมแดงห้าหัว พริกแดงจินดา10เมตร็ดใบแมงลัก2ถ้วยตวงใบามะกรูดซอย3ใบาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็มีใบตองในการห่อนะฮะวิธีการทำนะฮะเริ่มตั้งแต่การทำเครื่องแกงนะฮะตำตะไคร้หอมแดงและพริกรวมกันให้ละเอียดนะฮะผักไวจากนั้นนะ ตักน้ำพริกแกงที่ตำไว้นะฮะลงในอ่างนำเห็ดนางฟ้าฉีกเป็นเส้นเล็กๆนะฮะใส่ลงไปนะจากนั้นตอกไข่ตามด้วยใบยแมงลักแลกะก็ใบมะกรูดซอยปรุงรสด้วยน้ำปลาคุกเขาให้เข้ากันนะฮะจากนั้นก็มาเตรียมใบตองนะฮะเช็ดใบตองให้สะอาด ตัดเป็นวงกลมจากนั้นนำส่วนผสมตักวางลงใบตองนะฮะแล้วก็พับใบตองเข้าหากันเหมือนขนมไทยในอดีตนะหรือนะฮะสามารถทำเป็นถ้วยกระทงขนมคล้ายขนมตะโก้ได้นะฮะนำตัวของหอมหมกที่ผสมไว้นะใส่ลงไปในใบตองนำไปหนึ่งนะครับประมาณยี่สิบนาทีนะฮะ จากนั้นนะนำมาเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็สามารถที่จะรับทานคู่ด้วยกันอย่าง อ, อร่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นเมนูที่รับรทานง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนั่นเองนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับหอ่อหมกเห็ดนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ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 ปดเพลงบันเลงให้ไหวเธอโปรดเก็บใจ 「風呂ちゃんおいおい」「ティーちゃ やく知ってく ワンヒーローさん เธอรอจงรู้ดวงใจว่ายัางปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักเธอรอทรงใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจง่อยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังรอการกลับมา